ไปเรียนไปเรียนไปเรียน g าไม่มไปโรงเรียนยังมัวทาตัวริพิงเรียนไปเรยไปเรยไปเรียน g ถ้าคิมาเมื่อไรเรก็ต้องไปเรียนแต่ไม่รู้ทาไมทำไมถึงตายแล้วยังหลับตอดจนพ่อแม่มายินม่จะมองเหินเธทุกวันไปโรงเรียนก็ไม่ไปไปโรงเรียนไม่ไปไปที่ไหนก็ไป ทำ ไ, ไ ม, ไไ ม, ไไมสบายสักทีเฮ้ทำไมไม่ไปโรงเรียนยังโม่ทำผมเดี้ยไปเรียนไปเรียนไปเรียน Go Go Go ไม่เห็นมีอะไรมันก็แค่ไปเรียนทํามเสื้อตบเดียวก็เล่งต่อรู้ไหมเธอไมไปทําให้ฉันยืนรอต่อมาคิดถึงเธอทุกวันไปโรงเรียนก็ไม่ไป ไปที่ไรก็ไปสายไปร้องเรียนเมือนจะตายทำให้สบายสันสุดที่เฮ้ทำไมไม่ไปรงเรียนแก้วทั้งต้นเรียนไปเลยไปเลยไป ไปโรงเรียนเมื่อจะตายมันจะยังไงต้องไปสายไปโรงเรียนก็ไม l ไปไปทีไรก็ไปสายไปโรงเรียน่อจะตายทำไมต้องไปสาย ไปเลยนไปเรียนไปเรียน go go go เฮ้ทขาไมไม่ไปลงเรียนยันหม่ทำัวร์ฮิน